ประตตรปิดกเล่มที่ส4สอินทริยภาวนาสูตรการเจริญอินทรีย์ในอริยวินัยสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณ ก, กัตชังคลานิคมครั้งนั้นแลอุตรามานกสิทธิ์ของปา ร, ราสิริยพรามเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ พ, พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่า ปาราศิริยพรามแสดงการเจริญอินทรีย์แก่สาวกหรือไม่และแสดงไว้อย่างไรอุตรามานพกราบทูลว่าในเรื่องนี้ท่านปาราศิริยพรามแสดงการเจริญอินทรีย์แก่สาวกทั้งหลายอย่างนี้ว่าสาวกของเราอย่าดูรูปทางตาอย่าฟังเสียงทางหูดังนี้เป็นต้นขอรับตรัสว่าอุตระเมื่อเป็นเช่นนั้น สาวกผู้เจริญอินทรีย์แล้วตามคำของปาราศิริยพรามก็จะเป็นคนตาบอดเป็นคนหูหนวกแน่นอนเพราะคนตาบอดยอมไม่เห็นรูปทางตาคนหูหนวกยอมไม่ได้ยินเสียงทางหูเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วอุตรามานพก็นั่งนิ่งเกอ้อเขินคอตกก้มหน้าซบเศร้าหมดปฏิพาณ ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกท่านพระอานุ์มาตรัสว่าอานนุ์ปาราจิริยพรามย่อมแสดงการเจริญอินทรีย์แก่สาวกทั้งหลายเป็นอย่างหนึ่งแต่การเจริญอินทรีย์อันยอดเยี่ยมในอริยวินัยเป็นอย่างหนึ่งท่านพระอานุ์กราบทูลขอให้ทรงแสดงจึงตรัสแสดงไว้ดังนี้การเจริญอินทรีย์อันยอดเยี่ยมในอริยวินัยเป็นอย่างไร คือภิกษุในธรรมวินัยนี้เห็นรูปทางตาแล้วจึงเกิดความชอบใจเกิดความไม่ชอบใจหรือเกิดทั้งความชอบใจและไม่ชอบใจภิกษุนั้นรู้ชัดอย่างนี้ว่าเราเกิดความชอบใจเกิดความไม่ชอบใจหรือเกิดทั้งความชอบใจและความไม่ชอบใจนี้แล้วความชอบใ จ, <ร>บใจเป็นต้นนั้นถูกปัจจัยปรุงแต่งเป็นของหยาบอาศัยกันและการเกิดขึ้น ยังมีสิ่งที่ละเอียดประณีตคืออุเบขาความชอบใจความไม่ชอบใจที่เกิดขึ้นแล้วแก่ภิกษุนั้นจึงดับไปอุเบขาย่อมดำรงมั่นเปรียบเหมือนบุรุษมีตาดีเกลิบตาแม้ฉันใดความชอบใจความไม่ชอบใจหรือความชอบใจและความไม่ชอบใจอันเกิดขึ้นแล้วแก่ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งก็ฉันนั้นเหมือนกัน ย่อมดับไปอย่างเร็วพลันทันทีโดยไม่ยากอย่างนี้อุเบกขาย่อมดำรงมัน่นอานนท์นี้เราเรียกว่าการเจริญอินทรีย์ในรูปที่พึงรู้แจ้งทางตาอันยอดเยี่ยมในอริยวินยัยอีกประการหนึ่งภิกษุได้ยินเสียงทางหูแล้ว รู้ชัดถึงการเกิดขึ้นของความชอบใจไม่ชอบใจและทั้งชอบใจและไม่ชอบใจจึงรู้ว่าความชอบใจเป็นต้นนั้นถูกปัจจัยปรุงแต่งเป็นของหยาบอาศัยกันและการเกิดขึ้นยังมีสิ่งที่ละเอียดประณีตคืออุเบกขาความชอบใจไม่ชอบใจและทั้งชอบและไม่ชอบใจนั้นที่เกิดขึ้นแล้วแก่ภิกษุนั้นจึงดับไปอุเบกาย่อมดารงมั่น เปรียบเหมือนบูรุษมีกำลังดีดนิ้วมือได้โดยไม่ยากแม้ฉันใดความชอบใจไม่ชอบใจและทั้งชอบและไม่ชอบใจอันเกิดขึ้นแล้วแกภิกษุรูปใดรูปหนึ่งก็ฉันนั้นเหมือนกันย่อมดับไปอย่างเร็วพลันทันทีโดยไม่ยากอย่างนี้อน น, อนนน้เราเรียกว่าการเจริญอินทรีย์ในเสียงที่พึงรู้แจ้งทางหูอันยอดเยี่ยมในอริยวินยัย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 นี้เราเรียกว่าการเจริญอินทรีย์ในกลิ่นที่พึงรู้แจ้งทางจมูกอันยอดเยี่ยมในอริยวินันอีกประการหนึ่งภิกษุลิ้มรสทางลิ้นแล้วรู้ชัดถึงการเกิดความชอบใจไม่ชอบใจและทั้งชอบและไม่ชอบใจจึงรู้ว่าความชอบใจเป็นต้นนั้นถูกปัจจัยปรุงแต่งเป็นของหยาบอาศัยการและการเกิดขึ้น ยังมีสิ่งที่ละเอียดประณีตคืออุเบกขาความชอบใจไม่ชอบใจและทั้งชอบและไม่ชอบใจนั้นที่เกิดขึ้นแล้วแกภิกษุนั้นจึงดับไปอุเบกขาย่อมดำรงมั่นเปรียบเหมือนบูรุษมีกำลังตะล่อมน้ำลายไว้ที่ปลายลิ้นแล้วถมไปโดยไม่ยากแม้ฉันใดความชอบใจไม่ชอบใจและทั้งชอบและไม่ชอบใจ อันเกิดขึ้นแล้วแก่ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งก็ฉันนั้นเหมือนกันย่อมดับไปอย่างเร็วพลันทันทีโดยไม่ยากอย่างนี้อู่เบกขาย่อมดำรงมัน่นอานนท์นี้เราเรียกว่าการเจริญอินทรีย์ในรถที่พึงรู้แจ้งทางลิ้นอันยอดเยี่ยมในอริยวินยัยอีกประการหนึ่งภิกษุถูกต้องโผทะพะ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 อุเบกขาย่อมดำรงมั่นเปรียบเหมือนบุรุษมีกำลังเหยียดแขนออกหรือคู่แขนเข้าแม้ฉันใดความชอบใจไม่ชอบใจและทั้งชอบและไม่ชอบใจอันเกิดขึ้นแก่ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งก็ฉันนั้นเหมือนกันย่อมดับไปอย่างเร็วพลันทันทีโดยไม่ยากอย่างนี้อุเบกขาย่อมดำรงมั่นอานนท์นี้เราเรียกว่าการเจริญอินทรีย์ในโพธัภพ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 อันยอดเยี่ยมในอริยวิัยอานนท์การเจริญอินทรีย์อันยอดเยี่ยมในอริยวิไนเป็นอย่างนี้และพระเสขผู้กำลังปฏิบัติเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวิไนนี้เห็นรูปทางตาแล้วฟังเสียงทางหูแล้วดมกลิ่นทางจมูกแล้วลิ้มรสทางลิ้นแล้ว ถูกต้องอุปจะพักการกระทบสัมผัสทางกายแล้วรู้แจ้งอารมณ์สิ่งที่ใจคิดใจนึกคือทำมารมทางใจแล้วจึงเกิดความชอบใจไม่ชอบใจและทั้งชอบและไม่ชอบใจและเพราะการเกิดความชอบไม่ชอบที่เกิดขึ้นแล้วนั้นภิกษุนั้นจึงอึดอัดเบื่อหน่ายรังเกียจอ น, น์รักเสขาผู้กาลังปฏิบัต เป็นอย่างนี้แหละพระอริยะผู้เจริญอินทรีย์แล้วเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เห็นรูปทางตาแล้วฟังเสียงทางหูแล้วดมกลิ่นทางจมูกแล้วลิ้มรสทางลิ้นแล้วถูกต้องผลตภัตภณ์ทางกายแล้วรู้แจ้งธรรมารมณ์ทางใจแล้ว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 ถ้าหวังว่าเราพึงมีความหมายรู้ในสิ่งที่ไม่ปฏิกูนและในสิ่งที่ปฏิกูนว่าเป็นสิ่งที่ปฏิกูนอยู่ก็มีความหมายรู้ในสิ่งที่ไม่ปฏิกูนและในสิ่งที่ปฏิกูนนั้นว่าเป็นสิ่งที่ปฏิกูนอยู่ถ้าหวังว่าเราพึงเว้นสิ่งที่ปฏิกูนและสิ่งที่ไม่ปฏิกูลทั้งสองนั้นแล้วมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะอยู่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 แสดงพระอริยะผู้เจริญอินทรีย์ไว้แล้วด้วยประการอย่างนี้กกศที่ศาสดาผู้สแสวงหาประโยชน์เกื้อกูลผู้อนุเคราะห์อาศัยความอนุเคราะห์แล้วพึงทำแก่สาวกทั้งหลายได้เราก็ได้ทำแกเธอทั้งหลายแล้วอ น, นุนนั่นโคนไม้นั่นเรือนว่างเธอทั้งหลายจงเพ่งฌานอย่าได้ประมาทอย่าได้เป็นผู้เดือดร้อนในภายหลัง นี้เป็นคำร่ำสอนของเราสำหรับเธอทั้งหลายพระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิตนี้แล้วท่านพระอานนุ์มีใจยินดีชื่นชมพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคดังนี้แลจบอินทริยาภาวนาสูตรสุตตันตปิฎกที่หมาชิมานิกายอุปริปันธาต์พระไตรปิฎกเล่มที่สิบสี่ จบบริบูน